ตอนตอบปัญหาสภาวธรรมวันที่13กันยายน2558กาบนักมสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยาณมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ก็บิดปึป้งเลยเจ็ดวันมาคำถามก็เมื่อกี้เดินมา ก็พยื่นอีกใบหนึ่งนะก็ดูว่าเป็นยังไงเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะไม่ต้องเบื่อที่จะฟังเรื่องของคนอื่นบางทีเรื่องนั้นอาจจะตรงกับเราก็ได้ก็ถ้าฟังแล้วมันอึดอัดมันเบื่อไม่มีอะไรเสียหายนะความอึดอัดความเบื่อเราก็ได้ฝึกขันติไม่มีของเสียนะ ทุกอย่างมีประโยชน์หมดอยู่ที่ว่าใครจะมีปัญญารู้จักใชใ้เป็นประโยชน์นะก็คำถามสดๆลอนๆมาเมื่อกี้เนี่ยเขียนตัวตวัดหน่อยหนึ่งนะต่อไปถ้าสงสารคนแก่ก็เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่นี่มันไม่มีไฟสง่งโอเคนะกราบสวัสดีพ่อครูค่ะ หนูมีปัญหาที่จะเรียนถามพ่อครูดังนี้ค่ะหนูมีสิ่งที่สงสัยกับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนปฏิบัติช่วงนานาจิตตังวันที่สี่วันที่ห้าของการมาปฏิบัติที่นี่หนูเดินไปหนูเต้นไปแล้วร้องไห้ไปน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเหมือนเสียใจอะไรมากๆ ทั้งที่ตอนนั้นเพลงมันสนุกแต่หนูลองให้อยากถามพวกครูว่ามันเป็นอาการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือเปล่าคะทำไมหนูมีอาการแบบนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเดี๋ยวต่อไปพร้อมๆกันเนาะ การปธิบัติแบบนี้ถ้าหนูจะอุทิศบุญให้กับพ่อแม่และน้องชายที่เสียไปแล้วเขาจะได้รับผลบุญนี้ไหมคะจะมีวิธีการแบบไหนที่จะส่งบุญให้เขาได้อย่างถูกต้องค่ะกราบขอบพระคุณค่ะโอเคนะก็ข้อแรกมันเป็นอาการอารมณ์ของจิต นเมื่อเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยเหมือนเราเข้าไปในเว็บสมว่าเรา เ, ยเคยเล่นคอมพิวเตอร์เนาะเราเข้าไปในเว็บไซต์หาสมมติว่าเรื่องเพลงใช่ไหมตรงหน้าจอเนี่ยมอนิเตอร์เนี่ยมันก็โชว์เรื่องเพลงให้เราเห็นใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอินไซต์เอาโปรแกรมข้างในเนี่ยส่งออกมาทางข้างนอกไอ้มอนิเตอร์หรือไอ้ไอ้อหน้าจอตอัว น, นี้เปรียบเสมือนร่างกายเราเนะย อันนี้คือหลักมหาสติปฐานสี่ก็คือว่าเริ่มจากกายในกายนะกายนอกกายเข้าไปกายในกายแล้วก็เวทนาในเวทนา เ, าเหมือนเราเดินจงกรมก็ดีหรือเราเต้นเราทำอะไรก็ช่างเนี่ยกายเคลื่อนไหวนานๆแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนี่คือเวทนานะจิตเราก็ดูมันดูมันดูมันแล้วก็ตอนมันเหนื่อยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะรู้สึกเบื่อรู้สึกยิ่งชอบ เมื่อเราเล่นกีฬายิ่งเหนื่อยเหงื่อออกก็ยิ่งชอบยิ่งมีความสุขหรือมีความทุกข์นี่คือจิตในจิตดัวหลมจิตเรานะเมื่อเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ปุ๊บเราสามารถเสพธรรมในธรรมธรรมลมไอที่แสดงออกมาเนี่ยเราเรียกว่าธรรมารมอารมณ์ทางธรรมะทางธรรมเนี่ยเพราะว่าอารมณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรากระทำมันขึ้นมาปัจจุบัน อย่างเราเต้นตอนนี้เราทํามันปัจจุบันแล้วเราก็เกิดเหนื่อยเหนื่อยนี้เป็นเวทนาส่วนธรรมในธรรมเนี่ยเป็นธรรมมะลมนะซึ่งเป็นเรื่องของอดีตถ้าพูดถึงเวทนาก็เป็นเวทนาในอดีตหลายชาติแล้วเราบันทึกเป็นสัญญาไว้อันนี้เรียกว่าธรรมมะลมมันก็แสดงออกทางกายภาพเมื่อแสดงออกทางกายภาพจิตปัจจุบันก็ดูอีกเห็นไหมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะนะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว อันนี้เรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วเมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์คือกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะจิตเดียวเนี่ยถือว่ามหาสติปัฏฐานครบองแล้วนะเราไปแยกไม่ได้ว่าตอนนี้กายตอนนี้เวทนาอะไรไอ้คนที่ชอบเพ่งเพ่งเพงเพ่ง<ๆ>นะมันเพ่งไม่ทันหรอกนะเพราะมันในขณะจิตเดียวมันมีทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนะ ไอ้ฝึกเพ่งเพงเพ่งฝึกกสินหรือฝึกฌานนั่นพวกนั่งฌานส่วนมากก็ไปติดเรื่องอภิญญาเรื่องอะไรเห็นโน่นเห็นนี่แล้วพอ เ, เห็นผีก็ไปกลัวมันอีกเพราะเราไปไปใส่ใจมันไงแต่ถ้าเราสักแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวผีที่เรากลัวผีเพราะเราไปพิจารณาเนานะเห็นผีก็สักแต่เห็นไปมองมันด้วยเอ๊ะทาไมมันตาโตทําไมลิ้นมันยาวทําไมมันน่ากลัวจังเห็นไหมหน่ากลัวจังมันก็เลยกลัวเห็นไหมล่ะพวกที่เพ่งนะ เอาเป็นว่าคําตอบคือที่เราร้องไห้หัวเลาะรือเราบางทีเราเต้นท่าที่เราเกิดมาไม่เคยเต้นเลยในชาตินี้นะพวกคูบอกแกล้งลืมจริ ง, รงๆเราเราเต้นมาตั้งหลายชาติแล้วนี่มันคือมหาสติปัฏฐานคือมันรีวายเข้าไปสู่อดีตมันสามารถคําว่าอนุสติเนี่ยที่เราฝึกสมถะกรรมาฐานมันเป็นอนุสติเป็นสติเล็กๆนะกินข้าวก็รู้เล ร, ร, รู้ตัวเดินไปก็รู้ตัวเป็นสติสัมปชัญญะ นะอันนี้เอามาใช้ชีวปัจจุบันนะสติไปว่าระลึกรู้รู้ตัวทั่วพรนะแต่อนุสติสติเล็กนี่มันไม่มีกําลังที่จะเข้าไปละลึกรู้อารมณ์ในอดีตได้เห็นไหมถ้าเรารวมกายเวทนรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยเราสามารถมีกําลังเนี่ยเข้าไปลื้อฟื้นของเก่าเข้าไปทไําไมเข้าไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะอาการที่เราร้องไห้เนี่ยเหมือนเรา ความโศกเศร้าเสียใจไม่ใช่เรื่องชาติชาตินี้ด้วยนะหลายๆชาติไปข้างหน้าข้างหลังนะ่ะมันนี่มันกำลงังล้างออกจิตปัจจุบันก็รู้มันเฉยๆเรียนรู้นะเมื่อต้องไปหาเหตุผลว่าทําไมมันร้องไห้มันร้องไห้เพราะอะไรรู้แต่ว่ามันร้องไห้อารมณ์เวลานะั้นมันเป็นอย่างไรเรารู้เฉยๆนะบางคนร้องไห้นี่ไม่ใช่เศร้านะร้องไห้เพราะปิติยินดีก็ได้เรารู้แค่อารมณ์นั้นนะ่ะ กิริยาการร้องไห้เป็นแค่กิริยาขอให้เราสัมผัสอารมณ์เวลานั้นน่ะนะเมื่อกี้ก็พูดว่าในขณะที่เพลงมันกําลังเต้ น, นกําลังมันอยู่มันน่าจะสนุกสนานใช่ไหมร้องไห้ทําไมเห็นไหมนะถ้าเราใช้อารมณ์ปัจจุบันนี่ยเราก็สนุกกับเพียงเพลงแล้วก็รู้สึกมีความสุขแต่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องเรียก ว, ว่าปัจจุบันการ การเวลาในอารมณ์ในอดีตตรงนั้นน่ะเขาแสดงตัวนั้นนะไม่เกี่ยวกับเสียงเพลงปัจจุบันทีนี้ข้อที่สองถามว่าที่เราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเราจะอุทิศบุญให้กับพ่อแม่ไม่ใช่ประจจปฏิบัติวิธีนี้วิธีไหนก็ช่าง เ, ออเราทำความดีเมื่อไหร่เนี่ยเราอุทิศให้หมดนะ คือว่าเรารู้ว่าเรากาลังทำดีอยู่เนี่ยเราเป็นคนไม่ขี้เหนียวความดีเราเราก็แบ่งปันทั้งหมดแต่ที่ดีที่สุดไม่ต้องอุทิศให้เฉพาะพ่อแม่เรากับพี่เราน้องเรานะอันนี้ยังขี้เหนียวอยู่ยังมีพ่อกูแม่กูและน้องกูนะแผ่เมตตาให้สปปรรพสิ่งทั้งหมดนะมดมอดแต่และตัวนี่ไม่มีแม้แต่หนึ่งตัวไม่เคยเป็นญาติพี่น้องเรานะพระเจ้าต้อบอกอย่าฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ ถ้าเราเราเลึกชาติได้นั่นเราสะสมกองกระดูกเราเนี่ยตั้งแต่สมัยเกิดเป็นช้างเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นหนูเป็นเศรษฐีเป็นยาจกนะทุกดวงจิตมีกองกระดูกเปียบเท่ากับภูเขาพะสุเมินคือคือยะว่าเราเกิดมาเยอะมากเราเป็นมาหมดแล้วนะทีนี้เราปฏิบัติทำไมล่ะเมื่อเราปฏิบัติเราไปเห็นเราเป็นมาหมดแล้วเนี่ย เวลาที่เดี๋ยวเลยอยากเป็นอะไรเหรอเมื่อจิตมันเกิดจิตปัจจุบันมันถูกพาไปเรียนรู้ของจริงแล้วว่าเกิดอะไรก็เกิดแก่เจ็บตายวันแรกก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แหกปากร้องแหละนะเราก็เห็นตัวนั้นบ่อยๆไม่ใช่ไปนั่งดูมันนะไปสัมผัสอารมณ์นั้นคือทำในธทมจิตปัจจุบันไปสัมผัสบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆต้องใช้คําว่าบ่อยๆบ่อยๆนะ ทำเรื่องเก่าๆๆๆๆๆเราจะเกิดความชำนาญขึ้นนะทุกวันนี้เราเห็นบางทีเราเห็นอยู่แล้วเออเข้าใจพอไม่กี่วันก็ลืมแล้วมันไม่เข้าจิตอันนี้แม้กระทั่งเราเข้าจิตเนี่ยเข้าบ่อยๆเช้าสายบ่ายเย็นเราอยู่ที่นี่เป็นปีไม่มีวันหยุดปฏิบัติเลยเนี่ยเห็นไมทำมากแค่นี้แล้วทำไมยังไม่ไม่พ้นบอกอย่าค้ากำไรเกินควร ไอ้ที่เราบอกมากมนี่เทียบกับที่เราสร้างมาเห็นไหมกองกระดูกระวูสูงเข้าไปบนภูเ ข, า, ขาสุเมนเนี่ยอย่าขายกำไรเกินควรนะเออเราทาไมพวกคูบอกสามชั่วโมงมันรู้ทำเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่พาหิยะแค่สามนาทีเองมันไม่เกี่ยวกับเรื่องไวหรือเรื่องชา้าไม่ใช่ไวถึงจะดีช้าถึงจะถึกช้าไม่ดีไวไปทําไมนะถ้าไวๆเดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยมันไม่มีของเล่นนะนะทําไปเถอะ ทำไปเรื่อยๆนะก็ทำบุญทิศส่วนกุศลให้สรรพสิ่งเนี่ยขอให้เราทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะนี่คือการทำดีไม่ใช่ไปตีหัวเข้ามาเอาปืนไปยิงเข้ามาก็แผ่ส่วนกุศลให้ให้นั่นแผ่ได้มันไม่ได้หรอกตัวเองก็ยังไม่มีกุศลเลยนะทำเรื่องที่เป็นกุศลนะ่ะแล้วเราฝึกให้เราไม่ขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวบุญเราแบ่งปันหมด นะเราแบ่งปันหมดนะตอบว่าทำแล้วได้หรือไม่ถ้าตอบว่าได้เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าตอบว่าไม่ได้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะบางทีได้บางทีก็ไม่ได้ยกตัวอย่างว่าในทางโลกเนี่ยเราไปทำความผิดกฎหมายแบบร้ายแรงเลยขังลืมห้ามเยี่ยมหไหมห้ามเยี่ยมเหมือนคนเปรต เป็นเปตเนี่ยปากเท่ารูเข็มเนี่ยนะโอ้ไปส่งอาหารอะไรกินได้ไม่ได้เขาต้องรับกรรมที่เขาสร้างแต่คนที่เราทำบุญแผ่ส่วนกุศลเนี่ยคนทำได้แล้วได้ให้แล้วเรารู้ได้ยังไงพ่อแม่และน้องชายเราไม่ได้ไปเกิดแล้วเห็นไหมแต่เป็นอุบายวิธีว่าคนที่อยู่เนี่ย เมื่อเรายังผูกพันเราเลือกเขาอยู่เนี่ยเออเราทำเราทาความดีแล้วแล้วก็แผ่ไปให้เขาเป็นอุบายก็รู้สึกว่าเออเรากำจัดความกังวลความความคิดถึงตรงนั้นนะคนที่ทำน่ะได้ได้ได้ได้ให้ส่วนคนที่เขาไปแล้วเนี่ยถ้าไปถามทางศาสนาพุทธผู้เจ้าไม่ส่งเสริมให้ไปหลงเหล่านี้นะบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมัน แต่เนื่องจากความผูกพันความกตันญูของเราเมื่อเราลึกถึงแล้วโอเคเราก็ทําบุญแผ่ให้เราได้แล้วเราได้ให้นะโอเคนะเพราะว่ามีหลายหลายถามคําถามเหลือเกินที่พ่อครูบอกว่าทางไปนิพพานนั้นยังเล็กกว่ารูเข็มและเราเต้นสู่นิพพานนั้นเราต้องเต้นจนมีอินทรีย์พลร ะ, ระหรือพลังจิตจนลอยจากพื้น ได้เพื่อหลุดเข้าไปสู่ทางไปนิพพานหรือเปล่าคะไม่รู้จะไปรู้ทำไมนาะะนะนะอัะนนี้เขาหมายความแสดงถึงว่าสวรรค์นี่สูงสูงแล้วนิพพานสูงยิ่งกว่าเลยนะต้องเต้นจนให้มันเด้งมันห่อได้ทะลุสวรรค์ไปสู่นิพพานเนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตเราเนี่ยแล้วมีพุทธกิจอยู่แล้ว ที่เต้นเต้นเต้นต้นี่สร้างอินทรีย์พระให้มันให้เราปล่อยวางทั้งหมดนะเมื่อจิตทำลายทุกอย่างวางทั้งหมดนะทำลายอัตตาตัวเองนั่นและก็สัมผัสนิพานตรงนั้นอันนี้มองในแง่เป็นฤทธิ์คนนี้พระครูเลยว่าใครถามรู้ว่าถามนะพ่ครูรู้เลยเนี่ยชอบเรียนรู้เอาภาษามาตีความว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่ว่าเต้นเต้นเต้นจนมีอินทรีย์พระเหาะได้ทะลุฟ้าขึ้นไปสู่เมืองนิพาน น, นิพานมันอยู่ข้างในแล้วนะออไม่ใช่เต้นไปเมืองนิพานเนาะเต้นเพื่อให้มันเกิดอินทรีย์พร ะ, ะนั่นแหละเพื่อกำจัดไอสิ่งขวางกั้นทางเดินของเราอันดับหนึ่งพวกนิวรณต่างๆอันนี้หยาบๆยาบเบื้องต้นนะแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยเเนื่องจากจิตเรามันเป็นหลงติดแล้ว นะมันติดขันห้าแล้วมันติดหลงกับอยายตนะหกนะแล้วก็กระแสกรรมมันก็ดึงเราไว้เนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อลดละเลิกสิ่งนี้นะไม่ใช่เต้นเพื่อให้มันห่อได้มีอินทรีย์พระละห่อได้ทะลุสวรรค์ไปถึงนิพพานนิพพานมันได้อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างในเรียบร้อยละอันนี้อะไรล่ะดุริยาง ดุริยางมนตราศาสตร์มีจริงไหมคะเอาอีกแล้วชอบรู้ชอบรู้ก็เขียนมามันก็มีแหละภาษามันเรียกว่าอย่างนี้มันก็มีแล้วไงชื่อตั้งชื่อมันก็มีนะมีจริงไหมคะและมันเป็นพลังงานเสียงสวดมนต์หรือเป็นพลังจิตจากผู้สวดที่ทำให้ต้นไม้โตเร็วและมีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือสามารถช่วยรักษา คนเจ็บป่วยได้คะเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรอือจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเนาะหลังจากไปสวดแล้วต้นไม้มันโตขึ้นแล้วเราพ้นทุกข์ไหมนี่มีแต่ความอยากรู้ทั้งนั้นเลยนะจลิตแบบนี้นะ่ะพอปฏิบัติปุ๊บก็วิจัยไปด้วยวิจัยไปด้วยเพ่งเพ่งเ พ, งเ พ, งเพง่เพราะอยากรู้นั่นหละมันก็ไม่ไปไหนไนะมันก็อยู่ที่การเพ่ง รู้เรื่องนี้โอ้ยดีใจนะไอ้ดีใจนี่เป็นเอ า, อาหารให้กิเลือตัวอยากรู้เรากินอย่างมันก็พองตัวอีกมันก็อยากรู้อีกนะมันก็หลอกให้เราไปเพ่งเพ่งเพ่งเพ่ ง, เ, พงเห็นไหมเนี่ยในแง่วิชาการเราก็ไม่มีอะไรทํามันก็บอกว่าโอเคไปตั้งโจทย์ขึ้นมาเนี่ยเออไอ้ดุริยางมตราศาสตร์เนี่ยมนอะไรนะเออมนตราศาสตร์เนี่ยมีจริงไหม เออเหมือนนิพพานเป็นอัตตาไหมหรืออนัตตาไหมก็มานั่งเถียงกันน่ะนะนี่คือผู้อยากรู้เรายังมีกิเลสตัวอยากรู้อยู่อยากรู้ภาษานะเห็นไหมไปวิจัยแล้วว่าเออสวนเนี่ยมันเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งพ่อกูเคยมาไว้ห้องสมุดนี้ไม่รู้หายไปไหนหรือเปล่าที่ว่าดร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาวิจัยเรื่องน้ํานั่นแหละ เห็นเขาเอาน้ามาจากทั่วโลกเอามาจากนิวยอร์กแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งทำเป็นหยดน้ำเนี่ยเอาไปแช่ยเย็นให้มันแข็งอันนี้ก็ไปแช่เย็นใช่ไหมต่างคนต่างเอาไปเอาไปแช่ช น, แชนะและไอ้ตัวนี้ด่ามันด่ามันด่ามันนะอน้ำมันรู้ภาษาเหรอมันจับอารมณ์ได้ ในน้ำนั้นมันมีจุลินทรีย์ในจุลินทรีย์นั้นมันมีวิญญาณมันมีตัวรู้อยู่มันมีวิญญาณอยู่นะแต่เป็นถ้าพ่อกูเรียกว่าไม่มีใครพูดอย่างนี้นะก็ไม่รู้เป็นเรียกชื่ออะไรมันว่ามันเป็นวิญญาณเรียกว่าเป็นแค่กายวิญญาณนะที่บอกว่าน้ำมีชีวิตนะมันมีจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่วกระทั่ง สัตว์เซลเดียวอะไรก็ช่างถ้าไม่มีวิญญาณมันมีชีวิตไม่ได้ใช่ไหมในน้ำมันก็มีมันมีวิญญาณอยู่ทีนี้มันบันทึกสัญญาได้ระดับหนึ่งเนี่ยหกแทงนี้เนี่ยเป็นน้ำมนต์นะฟังเพลงสวดมนต์ทุกวันนะเหมือนเราปฏิบัติเราแผ่เมตตาทุกวันอะไรเนี่ยเขารับเ ต, เต็มเลยแล้วเราก็ส่งน้ำนี่ไปให้พระแขททำอาหารแล้วก็กินมันมีผลชดบับเรา ด็อเตอร์คนนั้นเน่ะไปดูหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ในห้องสมุดหรือเปล่านั่นลละพอเอาน้ำที่ด่ามันด่ามันทุกวันเอามาเอากล้องพิเศษอะไรถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยมืดตื้อเลยอันนี้ฟังเพลงสวดมนตหรือว่าพูดดีๆกระเข้าอะไรๆเนี่ยน้ำที่ถ่ายออกมานี่กลายเป็นคริสตัลเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยนะน้ำได้อย่างเดียวกันเอามาเอามาทำไม่เหมือนกันเห็นไหม ถ้าท่านในทางชีวิตเราในทางเป็นมนุษย์เนี่ยที่บอกว่าจิตสื่อจิตนะโดยธรรมชาติจิตเขาสื่อขึ้นกันได้อันนี้วิญญาณในในในน้ำนั่นเขาก็สัมผัสขึ้นอารมณ์นั้นได้เขาไม่รู้ภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขมร ห, หรอกนะยังภาษาไหนก็นช่างเพรว่าเราจับไปกิริยาเขาเนี่ยถ้าเขาพูดแบบแอคชั่นเหมือนคนโกรธเนี่ยเรารู้เลยมันพูดเราก็ไม่ดีใช่ไหมแล้วเขาสัมผัสอารมณ์นั้นได้เฉย อันนี้ก็คือลักษณะว่าการสวดมนต์อะไรๆเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาที่เราสวดทีนี้คําถามต่อไปก็มีอย่างเดี๋ยวโอเคนะเรื่องเรื่องสวดมนต์เรื่องอะไรเนี่ยนะก็ถ้าดวงจิตของพระพุทธเจ้ายังคงมีอยู่แสดงว่าบรรดาดวงจิตของเราพระอริยสาวกก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ และการสวดคาถาชินบัญชรเป็นการอัญเชิญพระอริยะสาวกและและบทอะไรพระปะลิตมาอยู่ตามร่างกายของผู้สวดเพื่ออะไรกันคะในเมื่อท่านสอนว่า ตนแรเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ตัวเองก็ตอบได้ก็โอเคก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่รู้จะไปรู้ทําไมแต่ทุกอย่างเนี่ยที่ทําอยู่ไม่ใช่มีไม่ใช่เรื่องสาละไรสาระอย่างเดียวมันเป็นอุบายทั้งนั้นแหละคุณโบราณเขาจะตั้งอะไรขึ้นมามันเป็นอุบายนะนะสวดอะไรก็ช่างเราขอให้เราตั้งใจสวดตั้งใจสวดนั่นคือสมาธิเข้าใจว่าทาให้เราสงบเย็น นะมันเป็นแค่เรียกว่าเป็นแค่สัมมาถากรรมาฐานก็ได้มันเป็นอุบายที่ทําให้เราจดจอ่อแทนที่จะเอาเวลาไปคิดสร้างมโนกรรมคิตฟุ้งซ่านคิดว้าวุน่นแล้วก็มาสวดมนต์นะการสวดมนต์ทุกวันก็เป็นกลางคืนเราสวดทําวัดเย็นเหมือนเราเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมเหมือนทหารเนี่ยตื่นเช้าเป่าปี๊ดลุกขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าแต่งยูนิฟอร์มถืออาวุธ ออกไปสงครามเป็นการเตรียมตัวนะสมถะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามนะเข้าไปสู่สนามคือเข้าไปในสู่จิตในจิตเจริญมหาสติปัฏฐานอันนั้นคือลงสนามมันจะเกิดปัญญานะทีนี้เขาก็ใช้อุบายว่าสวดมนตนั้นสวดมนนี่มันจะได้นนท์ได้นี่เพราะว่าเอากิเลสล่อกิเลสเพราะชีวิตเราถ้าทําแล้วมันไม่ได้อะไรมันรู้จะทําอะไรก็เลยกลายเป็นของขังอะไรขึ้นมา เห็นไหมกลางคืนเนี่ยทุกวันเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็พาเราสวดมนต์เสร็จท่านก็ให้เราแผ่เมตตานะแผ่พ่อเพาะนะแผ่ทุกคืนทุกคืนทุกคืนแต่พอเดินออกไปจเจ้ารองเท้าคนอื่นเขาเหยียบขาเราก็ไม่เมตตาเนี่ยด่ า, ามันเลยเงนะอันนี้สวดไปไม่มีประโยชน์เข้าใจว่าสวดพอะมาก ได้รางวันที่หนึ่งเลยล่ะแผ่เมตตาแต่แต่ไม่ไม่ยอมเมตตาเนี่ยนะมันเป็นอุบายวิธีเนี่ยเตือนเราบอกว่าต้องเมตตานะต้องเมตตานะส่วนอยู่ตรงนั้นแหละไพรเลาะพ่อพิงแต่ว่าไม่เป็นนําไปปฏิบัติไม่ไปนําไปประพฤติมันก็ไร้ประโยชน์บทสวดต่างๆเหมือนกันของขังต่างๆเหมือนกันของวิเศษเหมือนกันถ้าไปอยู่ ในคนที่มันจิตใจมันอกุศลแล้วมันกลายเป็นก้อนอิดก้อนหนึ่งนะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าผู้เจ้าบอกอัตเหตยตโนนาโถที่เราไปนั่งสวด น, นี่ก็เป็นเทคนิคแล้วก็พึ่งตนเองนะโดยที่เรากําลังฝึกให้เรานิจดจอ่อแม่เเพราะไม่นั้นนะ่ะเราเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คิดส่งออกตลอดเวลาเป็นการดึงให้เรามาอยู่กับปัจจุบันนะ ถือว่าเป็นระดับสัมมัตกรรมฐานมีประโยชน์ในแง่เราได้เจริญสมาธิได้เจริญสติแต่ทีนี้การใช้อุบายว่าเออสวดนั้นได้อันนั่นสวนอันนี้ได้อันนี้นะมันเป็นอุบายวิธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอุบายใดมินเมตต่อการเข้าใจผิดเนี่ยพระพุทธองค์ไม่สนับสนุนนะคำถามใหม่นะเราคือความว่าง ใช่ไหมคะถามก่อนว่าเราคือใครก่อนตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเลยนี่ก็ไม่ได้ยินกับบอกว่าเราคือความว่างเราคือความว่างแต่พอเขาด่านหน่อยหนึ่งไม่ว่างแล้วเห็นไหเราต้องรู้ก่อนว่าความว่างมันคืออะไรนะหลายปีก่อนพ่อครูเข้าไปในเมืองก็ไปเยี่ยมญาติธรรมเขาก็ซื้อรถคันใหม่ ไอ้ตระกูล น, นี้ซื้อคันใหม่ก็ไปเขียนคุณคือสิ่งที่คุณทําวิ่งบนเวียงว่างว่างอะไรก็แล้วแต่เขียนคําที่พระครูเคยพูดอปีนั้นเขาก็เขียนคํว่าว่างอยู่หลังรถเขาก็จูงแขนพระครูพระครูจับรถให้หน่อยนะแล้วก็เขาชี้ว่าว่างพราพวกมันไม่ว่างแล้วมันว่างอยู่ดีๆทําให้มันไม่ว่างเห็นไหมภาษานี่เป่งมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ว่างหละมันยากเกินไปเนาะ เราคืออะไรเราคือดินน้ำลมไฟนะกับจิตวิญญาณรวมกันกลายเป็นตัวเราาไว้ลำพังแค่นี้ก็ไม่เป็นไรอ่าเขาก็ใส่ชื่อเราอีกตั้งชื่อ เ, เธอปัญชานะอ่าใส่โปรแกรมเข้าไปนี่พ่อนะนี่แม่นะนี่เงินนะนี่ความสะดวกสบายนะนี่คือความสุขนะนี่คือความสำเร็จในชีวิตนะเขาก็ใส่ใส่ใส่ใส่ส่ใส่ใสใสใสก็กลายเป็นอัตราขึ้นมา หลายๆสัญญาเป็นก้อนเห็นไมคือจากมันว่างอยู่ดีๆเราก็ทำามันไม่ว่างตอนนี้ถ้าเราตอบว่าเราคือความว่างมันเป็นภาษาพูดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราคือความไม่ว่างก็เป็นมิจฉาทิฏฐิว่างไม่ว่างมันนี่อยู่ที่ว่าถ้าว่างจริงๆไม่มีคำว่าเราด้วยไม่มีคำว่ากูด้วยก็ใช่ปะ ทีนี้คำว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพรอครูก็ไม่ช่อยชอบท่าไใหญ่ว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนมันมีนี่นั่งอยู่ที่นี่พรอครูเห็นหมดเลยมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนต่างหากมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ถ้ามันไม่มีตัวตนใครเกิดขึ้นใครตั้งอยู่ใครสลายเนี่ยภาษาระวังพอบแปลออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมินแมต่ต่ อ, อการเข้าใจผิด บางคนก็แย้งว่าครูเอ้าพระครูพูดเหมือนภาษามันไม่ดีทําไมพระครูยังใช้ภาษาอยู่พระครูไม่ได้เคยบอกว่ามันไม่ดีแต่พระครูบอกว่ามันหยาบเกินไปที่พูดออกมาปึ๊บทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันหมดผู้เจ้าต้องบอกอย่าพึ่งเชื่อตําลาอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดในเป็นครูบาอาจารย์เราเห็นไหมอย่าพึ่งเชื่อคําเล่าขานไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อนะอย่าพึ่งเชื่อภาษาเดียวกันฟังปุ๊บ อันนี้เข้าใจอย่างหนึ่งนี่เข้าใจอย่างหนึ่งเห็นไหมอันนี้เราก็ไปเอาภาษามาถามภาษานี่เขาว่ายังไงมีจริงหรือเปล่าอะไรถ้าตอบไม่ใช่เล่นลิ้นนะตอบจริงๆล่ะพอถามเป็นภาษาบอกไม่จริงหมดเพราะภาษามันก็ไม่ใช่ความจริงธรรมชาติไม่มีภาษาธรรมชาติไม่มีแม้กระทั่งศาสนาถ้าศาสนาแบบทุกวันนี้นะแบ่งเป็นพุทธศาสน า, าอิสลามคริสอะไรเนี่ยศาสนาที่เป็นองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงธรรมชาติมันไม่มี เห็น ไ, ไหมวันที่พระ อ, องค์ตัดสรุปบอกว่าเราคือพุท ธ, ธะเราคือศาสนาปัญญาที่เกิดขึ้นกับพระ อ, องค์เนี่ยคือตัวศาสนาแต่ตอนนี้ศาสนาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นวัตถุมีรูปแบบมีกติกาถ้าถามก็ถ้าถามตรงๆอยากรู้ตรงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่ถามบอกว่าบทสวดนั้นบทสวดนี้มันเป็นชื่อเรียกแล้วมันมีจริงไหมคะ จะตอบเพนตรงๆในที่นี้ยังไม่อยากตอบอย่างเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันมันไม่มีจริงหรอกธรรมชาติมันมีภาษาด้วยแต่มันเป็นอุบายวิธีที่มนุษย์เราที่ผ่านมาหลายยุคเนี่ยมาตั้งขึ้นมาเป็นอุบายวิธีเพื่อจะเป็นการฝึกเป็นการสอนเป็นเทคนิคในการฝึกจิต สวดมนต์สวดบทไหนก็ช่างมันก็เป็นอุบายเป็นเทคนิคเข้าใจไหมเดี๋ยวถามว่าเป็นจริงไหมถ้าความจริงที่เราหมายถึงว่าอยากรู้เป็นจริงมันคมันเป็นจริงตามธรรมชาติไหมตอบเลยว่าไม่ใช่เพราะธรรมชาติไม่มีภาษาไม่มีภาษาวิชาการเหล่านีนะ้ถ้าเราเข้าถึงความว่างได้ เราก็สามารถนำเอาพลังงานจักรวาลมาใช้ได้หรือเปล่าคะแบบที่พระเกจิอาจารย์บางรูปสามารถตั้งจิตอธิษฐานขอให้ฝนตกได้ใช่ไหมคะถ้าเราเข้าถึงความว่างเรานะเราคือกูเข้าถึงความว่างยังมีเราเข้าถึงความว่างอยู่มันจะว่างได้ยังไงนะ ยังมีคนไปขอฝนอยู่มันจะว่างได้ยังไงคือคือบางที่เราสับสนภาษาเนี่ยนะมันคนละเรื่องเดียวกันเลยนะความว่างกับที่เราที่ว่าพระเกจิอาจารย์บางรูปสามารถตั้งจิตอธิษฐานเห็นไหมยังมีตัวท่านตั้งจิตอธิษฐานอยู่ถ้าบารมีหมายถึงว่าวัฒนาตัว น, นั้นมีจริงมันเป็นแค่เขาเรียกว่า มันเป็นอภินยาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ความว่างมันคนละเรื่องนะถ้าว่างจริงๆนะนะว่างสูงสุดคืออะไรรู้ไหมคือยานทัศนวิสุทธ์แล้วปฏิบัตินั่งฌานเพื่อให้เกิดยานู้แล้วก็เรียกฝนได้นะเรียกผีมาก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะเอออันนั้นยังไม่ว่าง ยังมีคนซึ่งมีอภิญญาอยู่ยังต้องขอฝนอยู่เข้าใจบ่องานยุ่งมากเพราะต้องไปขอฝนมันจะว่างได้ยังไงยังมีความอยากอยู่เห็นไหมฝนไม่ตกก็เรื่องฝนไม่ตกนะฝนมันแรงเราก็รู้ว่ามันแรงน้ําท่วมก็รู้น้ํามันท่วม ทุกอย่างมันไปนตามเหตุและปัจจัยของมันแต่เรายังอยากให้มันฝนตกโดยเรามีข้ออ้างว่าอยากช่วยเหลือมนุษยชาติพอเราฝนตกมาอุดมสมบูรณ์มากมนุษย์เราก็ปกลูกพืชไร่อุดมสมบูรณ์ได้เงินได้ทองมาเธอก็ไปกินเหล้าฉันก็เล่นการพ น, นันเธอก็ไปมีกิ๊กฉันก็มีก๊กทะเลาะเบาแวงกันอย่างนั้นตายไวๆดีกว่าอันนี้ยังแฝงอยู่ความอยาก ยังไม่ใช่ความว่างนะคําว่ายานทัศนวิสุทธ์เนี่ยวิสุทธ์คือบริสุทธิ์จนมียานก็เหมือนไม่มีไม่มีความประสงค์อยากรู้อะไรเลยอันนี้ยังอยากไปเรียกฝนอยากกูนอยากนี่มันว่างไหมไม่ว่างเลยบีซี่มากงานเยอะมากต้องไปนั่งเรียกฝนอันนั้นเรียกว่าไม่มีงานทํา กาบเรียนพวกครูที่เคารพลักอย่างสูงครับผมมีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับคือผมมีเท้าที่เป็นแผลเปิดติดเชื้ออักเสบต้องใช้ยาและมันทำความสะอาดเท้าอย่างสม่าเสมอเพื่อไม่ให้เขาติดเชื้อพเพอิญมีเพื่อนสหทำมิก ที่รู้จักกันเขาเห็นแล้วมาบอกว่าให้เวี่ยงทิ้งไม่ต้องใช้ยาหรอกเดี๋ยวมันจะหายเอง <c oughs> ผมก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่ามันใช่แบบนั้นจริงหรือตามความเข้าใจของผมคือเวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นในในเท้าที่เป็นโลกนั้น แต่ก็ต้องรักษาไปตามอัตภาพนี่ครับลบกวนพราะครูช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับถูกละที่บอกมาเนี่ยคือเหวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งนะไม่ใช่เหวี่ยงขาทิ้ง <c oughs> นเนี่ยไม่ใช่ว่าเหวี่ยงอย่างเดียวคือจริงอยู่บางครั้งเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าประวัติในยุคเราเนี่ยนะ พระอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่หนีเข้าไปอยู่ในป่าเลยไปติดเชื้อโรคติดเป็นโรคไข้ป่าอะไรท่านไม่มีทางเลือกนะท่านก็ฝึกกรรมาฐานอันจย่างนี้น้อยคือเวี่ยงความ เ, าเขาเรียกว่าทุกขวเวทนาตัวนั้นทิ้งอย่ายไปยึดมั่นถือมั่นนะยิ่งเราวางตัวนั้นได้มันจะเกิดพลังจิตนะมันจะเกิดภูมิภูมิคุ้มกันโรคมันก็จะเกิดขึ้นนะ แล้วมันก็จะทำประสานแผลนั้นทำรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะ่ะหายได้นะแต่ถ้าไม่ต้องใส่ยาเลยผู้เจ้าทำไมบอกต้องมีปัจจัยสีล่ล่ะใช่ไหมแต่ทีนี้ยุคนี้โอเคเรามียูกยาอะไรรักษาด้วยเนี่ยตีไปคู่กันนะแต่ข้างในเราเหวี่ยงทิ้งก็คือเหวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นกับอาการเวทนานั้นอย่าไปยึดมันนะเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บอย่าไปเจ็บตามมันอย่าไปทุกตามมัน นะถ้าเราฝึกด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแผลเนี่ยนะนอกจากเป็นแผลใจยามันไปทาไม่ได้อันนั้นเบี่ยงอย่างเดียวบรรลุธรรมนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องกายภาพยกตัว อ, อย่างว่าขี่มอไซค์เขาชนปุ๊บขาหักหมอตัดขาทิ้งนะ เบียงเบียงมาขามันงอกขึ้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคือเวียงความยึดมั่นถือมั่นเบียงความทุกข์ที่เราไม่มีขาทิ้งนะที่ท่านถามมาเนี่ยก็ถูกต้องละก็คือตีคู่กันไป <S <S พอพูดเรื่องนี้เมื่อกี้ก็แวบไปถึงหลวงพ่อชาของเรานะตอนที่ท่านอยู่นั้นมีพระภิกษุรูปนึงก็ไปไปขออยู่จําวัดที่นั่นปฏิบัติพอคืนนั้นฝนตกหนักกุฏิที่ท่านอยู่มันก็รั่ว ท่านก็นอนนอ น, นอนให้มันเปียกล่ะตื่นเช้าพ่อภิกษุท่านก็มากาบาพูดให้หลวงพ่อชาทราบว่าเนี่ยละท่านอุเบกข า, าก็เลยถูกหลวงพ่อชาทีไปทีหนึ่งโดนขาเลย <c oughs> อันนี้มันไม่ใช่อุเบกขานนี้มันขาดสติเนาะก็โอเคนะไม่มีอะไรไม่ต้องซีเรียสหรอกบางทีคนเขาหวังดี นะคนที่บอกเราเขาก็หวังดีนั่นแหละนะเป็นต่ ว, ว่าวงดีใ น, ในยาของเขาบางทีเขาเคยทำแล้วก็หายจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามียาเนี่ยมามาช่วยด้วยเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปซีเรียสทีนี้คำถามนี้ยาวหน่อยแต่ไม่ใช่เป็นคำถามตรงๆนี่มาจากกรุงเทพนะเขาเล่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาแล้วค่อยถามแต่ถ้าพ่อครูพูดคําถามเพ่อตรงๆแล้วพวกพวกเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรนะทีนี้ส่งมาประมาณสองอาทิตย์แล้วละ่ะเร็วๆนี้ก็วันสองวันนี้ก็ตามเรื่องอยู่นะพ่อครูรับจดหมายเขาหรือยังนะะแก้วถามว่าพ่อครูหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะตอบเขานะกําลังจะตอบล้วครับนกะ็ ไม่ต้องเอ่ยนามก็แล้วกันเนาะการเรียนพ่อครูบัญชาตั้งวงชัยที่เคารพอย่างสูงหนูตัดสินใจเขียนจดหมายถึงพ่อครูเนื่องจากหนูเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจะเดินทางออกจากป่าสังสารวัตรหนูมีคำถามกับตัวเองตั้งแต่อายุประมาณสิบกว่าปีว่าทําไมทุกคนในโลกนี้จึงเกิดมาและความสุข ที่สูงสุดของการเกิดคืออะไรอันนี้มีคำถามตั้งแต่อายุสิบกว่านะแต่ด้วยความเป็นเด็กคำถามเหล่านี้ไม่มีอยู่ในหนังสือเล่มใดๆและไม่มีผู้ใหญ่คนใดที่จะตอบเรื่องนี้เพราะเราลอกกายมีแต่การดิ้นรนเพื่อทำมาหากินให้มีอาหารกินมีที่อยู่ที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมที่ เห็นคือการทํางานเพื่อหาปัจจัยสี่และแต่ละวันก็หมดไปกับเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่จะตอบคําถามนี้ได้เลยดังนั้นชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหนูก็ทําความทําตามที่ทุกคนทํากันเนื่องจากเป็นเด็กบ้านนอกดังนั้นการมีชีวิต ที่ดีคือการเรียนหนังสือสูงๆจะได้จะได้ไม่ต้องทำงานหนักจะได้มีเงินเยอะๆแล้วมีความสุขจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านไปยี่สิบกว่าปีปัจจุบันหนูอายุสามุเจ็ดปีหนูมีทุกอย่างแล้วแต่ไม่เคยมีความสุขแบบที่เคยหวังไว้เหมือนที่พ่อครูบอกเลย อ้อลืมบอกค่ะหนูฟังพ่อครูเกือบทุกวันตลอดะระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาครั้งแรกหนูมีโอกาสได้ไปปฏิบัติที่ศูนย์พัฒนากายและจิตที่กรุงเทพมีโอกาสได้ไปปฏิบัติแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นได้ปฏิบัติอยู่ที่บ้านและฟังพ่อครูผ่านแผ่นซีดี และยูทูบการไปปฏิบัติครั้งนั้นทำให้เดี๋ยวนะหาไม่เจอแล้วทำให้การปฏิบัติธรรมที่ได้เพียรพยายามมาหลายปีก้าวหน้าไปอีกระดับหนูคิดว่าอย่างนั้นหลังจาก ปฏิบัติเสร็จสิ้นวันนั้นหนูได้สนทนาเพื่อถามข้อข้องใจกับนาหานได้คำตอบว่าอนุโมทนาด้วยที่สามารถเข้าไปเห็นอดีตชาติได้แม้เพียงการปฏิบัติวันเดียวขอให้มาบ่อยๆนะเนื่องจากมีหน้าที่เรื่องทางโลกจึงยังไม่สามารถจัดเวลาไปได้อีก มีเพียงการนำอาหารแห้งและปัจจัยไปสมทบทุนในบางโอกาสเท่านั้นแต่ใจก็เฝ้ารอวันที่จะได้ไปปฏิบัติที่ศูนย์อุบลราชธานีเพื่อชมบรารมีของพ่อครูแบบใกล้ชิดแต่ตอนนี้ระหว่างที่หนูยังไม่ได้มีโอกาสไปหาพ่อครูเพื่อสอบถามด้วยตัวเองหนูขอเขียนจดหมาย และสอบถามดังนี้ค่ะนะหนูมีคำถามจะเรียนถามพ่อครูหนึ่งจากการปฏิบัติแนวพว่อครูสมาธิเหวี่ยงและนานาจิตตังรวมถึงการฟังธรรมจากพก่อครูทำให้เห็นตัวเองเห็นความไม่ปกติของตัวเองอันนี้คือขีดเส้นใต้นะก็คือนี่เป็นคำที่ถามอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องที่อธิบายยากคือเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนตอนหนูอายุสิบห้าปีหนูเกิดมีความรักแบบเด็กๆครั้งแรกแต่ด้วยความที่หนูเป็นลูกสาวที่อยู่ในในกรอบศิลธรรมของครอบครัวทำให้ไม่ได้สามารถทำอะไรได้ตามใจที่ต้องการได้หนูจึงเริ่มสร้างโลกส่วนตัว คือมีการคิดฝันว่าเราได้ไปเที่ยวกันสนุกกันและได้หลงเข้าไปในโลกนี้บ่อยๆแต่โลกจริงหนูเป็นเด็กดีอยู่ในกรอบไม่เคยทำตัวให้พ่อแม่เสียใจเลยส่วนความสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายคนนั้นโลกจริงหนูไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแต่โลกจินตนาการนั้นเรารักกันมาก หนูไม่รู้ตัวว่าหนูเริ่มชอบโลกใหม่ที่สร้างขึ้นนี้มากเพราะมันปลอดภัยไม่เหมือนโลกที่หนูอยู่จริงๆที่ครอบครัวต้องดิ้นรนทำงานหนูต้องไปเผชิญกับโลกภายนอกเพียงลำพังต้องไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดคนเดียวเดินทางไปอยู่กับญาติต่างจังหวัดคนเดียว หนูจึงหลงเข้าไปในโลกที่สร้างใหม่นี้บ่อยๆเมื่อรู้สึกต้องการความปลอดภัยและเป็นมิตรโดยไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้หนูหนูเป็นเด็กเรียนหนังสือเก่งมากพ่อหนูมีสมาธิกับการเรียนดีมากสอบได้ที่หนึ่งตลอดหนูมาคิดภายหลังว่า คงเป็นบุญเก่าที่สร้างมาแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหนูเริ่มเข้าไปในโลกของความคิดทุกครั้งที่คิดว่าเจอเหตุการณ์ยากๆเช่นวิชาเรียนยากเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่หนูจะเข้าไปปรึกษากับเขาคนนั้นที่อยู่ในโลกจินตนาการตลอดเวลา ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าหนูสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ถ้าเป็นหนูคนก่อนหน้หนานั้นทุกคนคาดหวังว่าหนูต้องสอบแพทย์ได้แน่นอนเพราะหนูเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนเดิมและไม่เคยเรียนได้อันดับอื่นเลยหนูไม่เสียใจเลยขณะที่คนรอบข้างญาติญาติของหนูกลัวหนูจะฆ่าตัวตายแต่หนูไม่ได้อยู่ในโลกจริง ในอยู่ในโลกจริงอีกแล้วนะตลอดแยะเวลานั้นหนูเริ่มเห็นผลกระทบว่าทำไมชีวิตหนูถึงได้ตกต่ำถึงขนาดนั้นการเรียนตกต่ำได้ที่โลหนูไม่มีสมาธิในการเรียนหรือขณะที่อยู่กับเพื่อนๆหนูก็มักจะเข้าไปในโลกส่วนตัวบ่อยๆพยายามหาวิธีการที่จะให้ตัวเองกลับมาเหมือนเดิมจึงได้ หันหน้าหาคำตอบเริ่มไปวัดบ่อยๆมีครั้งหนึ่งที่ได้ไปไหว้พระธาตุที่นครศรีธรรมราชและอธิษฐานขอให้หนูหายและกลับมาเป็นเหมือนเดิมตลอดยกะเวลาที่ผ่านมาหนูพยายามหาวิธีการที่ทำให้หายเป็นปกติจึงมุ่งหน้าหาธรรมะอ่านมาก ฟังมากจากหนังสือหลายเล่มอาจารย์หลายท่านไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญและทำทุกอย่างตามวิถีพุทธพยายามทำตัวเป็นคนดีเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมาทำดีแบบติดดีมีอามิตรแต่ที่เป็นจุดดีคือได้อธิษฐานขอหนผพานในชาตินี้จนถึงวันนี้ผ่านไปยี่บสองปีตอนนี้หนู เพิ่งจะรู้ตัวเองเมื่อไม่กี่วันผ่านมาถึงเรื่องราวของตัวเองเพราะปัจจุบันหนูได้ประสบเหตุการณ์คล้ายๆกับตอนเรียนคืองานที่ทำไม่ก้าวหน้ามันไม่ประสบผลอย่างที่คนที่มีประสบการณ์และอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าพึงมีและทำได้ ประกอบกับการอยู่ประกอบการทู่ซีเดินทางออกจากป่าของหนูที่เดินเดินและเดินเดินทั้งทั้งที่มืดแต่ก็ทาทาไปจึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้นะสิ่งที่หนูจะถามพ่อครูคือหนูเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะ ว่าอาการของหนูคือความไม่ปกติใครนั่งอยู่ที่นี่ใครเป็นคนปกติบ้างที่จริงแล้วอาการที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยคือความปกติแต่ความไม่ปกติเกิดเพราะเ่าเขาไปหลงในอารมณ์นั้นนะทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราไม่มีเกิดขึ้น ล, ยลอยๆมันมีเหตุของมันอยู่นะอารมณ์ที่เขาเกิดในช่วงที่เด็กๆ เ, เนี่ย มันเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นเรื่องวิบากกรรมเก่าบางทีเราเจอในกอถูกชะตามากๆเลยนะไปลักไปหลงจนลืมจนจนขาดสติบางทีเจอในขอนี่ยมันไสมากเลยมันไ่จนจะฆ่ามันโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุของมันอยู่มันเป็นวิบากเรานั่นแหละนะ่ธรรมดามันวิบากก็เกิดเป็นแบบนี้ เราต้งเรียวกว่าเป็นปกติเพราะมันเป็นไปตามกรรมเข้าใจไหมไมันเป็นปกติแต่ทีนี้พอเราไม่รู้เท่าทันมันปุ๊บเนี่ยเราไปหลงอารมณ์นั้นเรากลายไปเป็นมันมันก็ส่งพบจากคนเรียนเก่งๆปุ๊บนี่กลายสอบไม่ได้เลยเห็นไหมก็คือไอ้ที่เราไปหลงอารมณ์นั้นแหละกลายเป็นความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นนะ วิธีการรักษาอาการไม่ปกตินี้คือการปฏิบัติสมาธิเบี่ยงและนานาจิตตังรวมถึงการให้ทานและรักษาศีลใช่หรือไม่คะออตอบว่าใช่ก็ได้นะไม่ต้องระบุหรอกว่าวิธีเบียงหรือวิธีอะไรเนี่ยก็คือทำแบบผู้เจ้าบอกก็คือทานศีลภาวนานะส่วนที่เราเรียกว่าวิธีเบียงมันไม่เพราะคุไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นวิธีเวียงนะ เราไปเรียกเองนะแต่เป็นกิริยาบอกเห็นก็เหวี่ยงทิ้งได้ยินก็เหวี่ยงทิ้งนะก็คือเป็นเป็นกิริยาไม่ใช่ชื่อเรียกแต่ตอนนี้เราก็ภาษาเราเป็นอย่างนี้เราคุ้นเคยว่าวิธีไหนอุบายแบบไหนต้องมีชื่อเรียกนี่นะเรียกไปเรียกมาก็ไปหลงมันนะหลงคําบริกรรมนั้นน่ยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอีกนะพวกคุณไม่ได้ตั้งชื่อนะเพียงแต่ว่าให้เข้าใจกันว่าที่หมายถึงว่าโอเค กิริยาที่เราเตือนสติว่าเห็นปุ๊บเบี่ยงทิง้งได้ยิบปุ๊บเบี่ยงทิง้งนะถ้าเราเบี่ยงไม่ทันมันจะไปคิดเห็นผีปุ๊บเบี่ยงทิง้งที่เรากลัวผีเพราะว่าเราไม่เหี่ยงทิง้งเราก็คิดกลัวผีนะเราไม่เบี่ยงทิง้งไม่ใช่เบี่ยงผีทิ้งนะเบี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิง้งนะ ไม่ใช่เวี่ยงสวรรค์ทิ้งเบียงนรกทิ้งเบี่ยงความดีทิ้งเบียงอะไรเนี่ยนะเวียงความยึดมั่นถือมั่นความดีเวียงความหลงดีทิ้งอย่าไปหลงมันทำดีก็ดีแล้วอย่าไปติดดีนะก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะวิธีแก้วิบากกรรมที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปปล่อยนกปล่อยกาไปอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอุบายวิธีทําให้เราสบายใจ นะปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาเอาเป็นว่าทำบุญแล้วต่อไปสุกดีแล้วอันนั้นคิดผิดนะนะ เ, เราได้ทำกุศลเราก็เลปล่อยไปเราเมตตาเขาแล้วก็สบายใจเฉยนะกรรมก็ยังอยู่กรรมก็ยังอยู่นเนาะไอตอนนี้เราใช้อุบายการทำบุญทำทานโดยการไปปล่อยนก ปล่อยปลาอะไรเนี่ยเราปล่อ ย, ป, อยปุ๊บมันก็จับมาให้เราปล่อยอีกนะ <c oughs> ไปส่งเสริมให้มันจับบ่อยๆอีกเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการให้ทานเนี่ยพราครูบอกแล้วอภัยทานเนี่ยต้องทำบ่อยๆไม่ต้องเสียสตังนะมัวแต่ไปวิ่งไปปล่อยนอกปล่อยปลานั่งรถเป็นชั่วชั่วโมงชั่วโมงไปนะคนข้างตัวกระทบหน่อยหนึ่งไม่ยอมให้อภัยเขาเนี่ยนะไอ้ที่ไปทำทานทั้งหมดนี่ สร้างฉากเฉยๆไม่ใช่ของจริงเห็นไหมทานศีลภาวนาเนาะทานเนี่ยวัตถุทานธรรมทานอภัยทานตอนนี้คนทุกวันนี้ให้ธรรมทานได้ไหมไม่ฉันวิจัยเกือบตายต้องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เรื่องอะไรฉันจะบอกความจริงเธอลิขสิทธิ์มันขายได้นะเห็นไหมคนทุกวันนี้ขี้เหนียวมากให้ทานไม่ได้เนาะโดยเฉพาะอภัยทานเนี่ยให้ไม่ได้เลย ทั้งที่ไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งนะให้ธรรมทานยังเสียเวลามาพูดนะยังเสียพลังนะแต่อภัยทานบางทีคู่อริเรามันยังไม่รู้เลยว่ามันเราให้อภัยมันนะแล้วมันไม่ได้อะไรจากเรานะแต่เราได้ยกภูเขาออกจากอกเห็นไหมบุญคือเบาไงบาปขึ้นหนักนะอันนี้เรื่องอะไรฉันเป็นคนถูกมันผิดเรื่องอะไรให้เอไม่เรื่องอะไรก็แบกไปสิแบกภูเขาข้างพบข้ามชาติเห็นไหมพอเกิดมาเนี่ย เจอมันหมันไสอีกแล้วกูจะฆ่ามึงเห็นไหมล่ะเอ้เจอเนี่ยอายุสิบห้าปี เ, อเจอหนุ่มน้อยคนนี้ทําไมรักรักเข้ามากไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยนะต่อว่ามันเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายถ้าในฝ่ายมีความสุขเราเรียกว่าฝ่ายบวกถ้าฝ่ายที่ทําให้เราทุกข์เรียกว่าฝ่ายลบแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีนิพพานเป็นเป้าละไอ้ฝ่ายบวกกับฝ่ายลบในเวียงทิ้งหมด ไปติดฝ่ายบวกเห็นไหมยังเกิดมาอย่างลากัลกลกัลกลลักเห็นหน้าเธอก็มีความสุขแล้วเห็นไหมมันก็ไปผูกพันกันไปอีกนั่นแหละนะคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกนะดีที่สุดคือไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดทำอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ เมื่อกี้ถามถึงไหนเลยวิธีการอาการไม่ปกตินี้ปฏิบัตินี่แหละฟังพุทธเจ้าน ะ, จะเจริญมักผลนิพพานนะก็คือทานศีลภาวนามันก็เกิดผลผลสูงสุดคืนนิพพานไม่ใช่ไปแค่เจริญสติจเจริญสมาธินะไม่ใช่อันนั้นมันเหมือนออกกําลังกายมันก็แข็งแรงเท่านั้นเองถ้าไม่มี ปัญญาแล้วมันก็เอาความแข็งแรงองนั้นไปเบียดเบียนตัวเองไปเบียดเบียนคนอื่นอีกสติก็เหมือนกันนะสติแข็งแรงมากทุกวันนี้ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็สติทั้งนั้นแหละนะด่ากันไปด่ากันมาถ้าไม่มีสติมันก็ด่าผิดนะอันนี้มันด่าถูกต้องเลยนะถ้ามันไม่มีสติแทนที่จะด่าว่าไอ้มึงมันชั่วด่ายังไงด่าว่ากูชั่วอย่างไงมันด่าผิดนะมันมีสติมากแต่มันไม่มีปัญญามันไม่มีศีลนะนะก็ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถูกต้องแล้วทีนี้สิ่งที่หนูจะต้องทำต่อไปคือธรรมโอสดนะก็รู้นะนะก็คือครอบหนึ่งย่อยก็คือเช้าก่อนไปทำงานปฏิบัตินาน า, นาจิตตังยี่สิบนาทีระหว่างขับรถไปทำงานฟังธรรมจากพ่อครูระหว่างวันเอาจิตที่แข็งแรง ดูโลกความคิดที่ถูกสร้างขึ้นให้อภัยลูกน้องเพื่อนร่วมงานทุกคนและตัวเองด้วยเมื่อทำผิดอันนี้ถูกต้องเห็นไห ม, มอภัยทานนะก่อนนอนปฏิบัติสมาธิเวี่ยงทำบุญถวายสังฆทานที่วัดในโอกาสสำคัญนำลูกอายุห้าขวบนั่งสมาธิและขอพรก่อนนอนทุกคืน ทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่กับโลกจริงให้ได้ครบร้อยเปอร์เซนต์โอเคก็ถูกต้องแ ล, ะละ้วล่ะอนุมโมทนาด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนี้หนูขอกาบขอบพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูงที่ได้สละความสุขส่วนตัวและดำรงอยู่เพื่อสัตว์โลกชี้ทางพ้นทุกข์เดินตามรอยพระพุทธเจ้า และเป็นพระอริยะที่ยังมีชีวิตและเข้าถึงได้หนูขอกราบด้วยหัวใจและจิตวิญญาณยังคงเดินต่อไปแม้จะลุ่มๆดอนๆและมืดบ้างสว่างบ้างจึงเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงคนหลงป่าและเห็นทางออกแบบลำไหลก็ขอแก้ตอนนี้หน่อยหนึ่งที่บอกว่า เหมือนพ่อครูเนี่ยได้เสียสละความสุขส่วนตัวนะเรื่องนี้เคยพูดหลายปีล้วมีนักวิชาการถามผูกพ่อครูว่าทําไมพ่อครูกล้าเสียสละขนาดนี้นะทิ้งความสนุกสนานสะดวกสบายที่เมืองนอกลงมาอยู่ในป่าเอออยู่ก็อยู่ เ, เงียบๆสิไม่ตัดเนื้อตัวเองตัดอะไรอะไรให้คนอื่นหมดพ่อครูบอกว่าพวกวกว่อครูวกวกไม่โง่ที่จะเสียสละนะชีวิตทําเล่นยังไง นะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเลยครอบครัวก็มีนะพะ่อครูไม่ได้โง่ที่จะเสียสละแต่พ่อครูมาทำในสิ่งที่มันควรทำไม่ได้เสียสละอะไรทำในสิ่งที่ควรทำนะทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เรานะถ้าจะอ้างพระพุทธเจ้าอย่าอ้างคำพูดของพระองค์นะทำตามที่พระองค์ทำนะมีแต่พูด มีแต่ยกภาษามาเถียงกันว่าอันนั้นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมฉันถูกเธอผิดเนะ่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คำสอนพุทธศาสนานะศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงคำสอนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกปฏิบัติยังไงทานศีลภาวนาไม่ใช่แค่ไปนั่งหลับตาผึกสมาธิสตินะอันนั้นก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งทาไปแต่มันแค่เสี่ยวเดียวนะปฏิบัติธรรม คือการเจริญมรรคผลผนิพพานมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานะที่สูตรเรานี่ทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่เข้าคอร์ดมาเรียนอะไรนะนะทําไปเรื่อยๆมันเบือ่อเบื่อมีประโยชน์ไงก็เอาความเบื่อนั่นแหละเป็นอาจารย์ก็มึงเบื่อไปสิก็เรามีหน้าที่อย่าไปเบื่อตามมันเท่านั้นเองเห็นไหม ไม่มีของเสียนะทุกอย่างมีประโยชน์หมดอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักเอามาใช้ไหมโอเคนะก็มีอีกคำถามหนึ่งถามทำไมบางคนอายุสั้นบางคนอายุยาว อะไรคือสิ่งกำหนดให้เป็นแบบนั้นนะถ้าถ้าเราจะพูดในทางพระาศาสนาแล้วเนี่ยนะทางาศาสนาพูดก็พูดอย่างชัดเจนว่าจัดเหตุแห่งความตายไว้เป็นสี่ประการนะหนึ่งตายเพราะหมดอายุไขสอง ตายเพราะหมดกรรมามตายเพราะหมดอายุไขและกรรมสตายเพราะมีอุปคาากรรมมาตัดรอนนะมีสมีสี่อย่างแล้วก็ตายแบบไหนก็ช่างตีลังกาตายนะตกรถเมยตายตกเครื่องบินตายหรือว่าออถูกเขายิงตายหรือว่าแก่ตายเรื่ออะไรตายก็อยู่ในสอย่างนี้ ทีนไม่ใช่ว่าอายุยาวก็ดีนะนะบางทีอายุยาวเพราะว่ากรรมมันยังไม่หมดไม่ใช่อายุสั้นไม่ดีนะบางทีอายุสั้นแล้วตายเพราะมันหมดกรรมอย่างพระมารดาของเจ้าชายจิทธตถาเห็นไหมอ่าประสูติเจ้าชายสิทธาออกมาแค่เจ็ดวันท่านก็จากไป จิตที่มีโอกาสมาเกิดเป็นรรพระมาดาพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ธรรมดาและทำไมอายุสั้นใช่ไหถ้าเราเข้าใจเอ อ, อายุสั้นไม่ดีอะไรมันบางคนอายุสั้นเนี่เพราะหมดบุญบุญมันหมดมันบุญมันแค่นั้นบางคนอายุสั้นเพราะว่ากรรมหมดละหมดหน้าที่ละนี่หละก็อยู่ในสี่อย่างนี้ทีนี้พอ ก, กูก็อธิบายคร่า้านะ ก็คือความตายเพอหมดอายุไขคือแก่ตายเมื่อมีอายุไขอยู่ได้พอสมควรแก่การเวลาต้องตายไปตามคติธรรมทางโลกธรรมดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมตั้งอยู่คือจเจริญเติบโตในที่สุดก็ดับไปคือตายเป็นอย่างนี้ตลอดไปอันนี้ ตายเพราะหมดอายุไขนะหมดอายุไขอันที่สองเนี่ยความตายเพราะหมดกรรมคืออํานาจกรรมที่ตกแต่งให้เกิดขึ้นนั้นหมดไปที่เราเกิดมาต้องมาใช้นี่กรรมอํานาจกรรมในอดีตส่งให้เรามาต้องใช้นี่กรรมบางทีเราใช้หมดแล้วอย่าไหมอย่างพระมารดามา ให้เจ้าชายจักรดประสูติแล้วหน้าที่กรรมที่ต้องมาเกิดทำให้ทั้งหมดไปนะที่เขาใช้คําว่าอํานาจกรรมที่ตกแต่งให้เกิดขึ้นนั้นหมดไปเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็จะมีชีวิตอยู่และประกอบกรรมทั้งดีและชั่วกรรมดีทําให้สุข ก, กายสบายใจกรรมชั่วทําให้ทุกกายทุกใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ดังนี้ จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มากก็น้อยถ้ามีกรรมชั่วมากความเจ็บป่วยก็มีมากถ้ามีกรรมชั่วน้อยความเจ็บป่วยก็มีน้อยความเจ็บป่วยเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องชดใช้ตามเหตุผลที่เกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างหรืออาจเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัส จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะอันนี้คือความตายเพราะหมดกรรมนะหมดกรรมนะสัตว์โลกย่อมไ ป, ไปตามกรรมเพราะครูเคยบอกแล้วว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับเราไม่เกี่ยวกับกรรมไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคที่เกิดขึ้นกะับเราไม่เกี่ยวกับกรรมนะไม่มีกรรมไหนเกิดขึ้นลอยล ความตายเพราะหมดอายุไขและหมดกรรมนั้ น, นหมดอายุไขด้วยและหมดกรรมคือตายด้วยโรคชรลาบ้างโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้างพร้อมกันทั้งสองประการความตายอาจเกิดขึ้นในวัยเด็กวัยกลางคนหรือวัยแก่ก็ได้เห็นไหมอันนี้หมดอันนี้ตายเพราะหมดอายุไขแล้วก็หมดกรรม นะส่วนตัวสุดท้ายคือความตายเพราะมีอุปคาดกรรมมาตัดรอนคือเป็นการตายก่อนหมดอายุไขโดยมีผลกรรมชั่วจากอดีตชาติมาสนองในปัจจุบันชาติแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกรรมดีอย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันจะมีกรรมดีอย่างไรก็ตามทำกรรมดีมาหมดนะ จะมีกรรมที่ทำหน้าที่ตัดรอนทำลายกรรมดีนั้นเสียเรียกว่าอุปคาตกรรมนะกรรมชั่วในอดีตมันมาตัดรอนกรรมดีเราตรงนี้นะแทรกขึ้นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายได้เช่นการฆ่าตัวตายตายด้วยอุปัติเหตุภัยอันตรายจากธรรมชาติตายด้วยพิษนานาชนิด เหล่านี้เป็นการตายอย่างปัจจุบันทันทีด้วยอำนาจของอุปคาากรรมแต่ชาติก่อนนั้นมาทำลายและตัดรอนกรรมในปัจจุบันนี้เสียข้อนี้พิสูจน์ยังไงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เป็นพ่อชาตินี้อย่างเดียวทำไมคนนี้สามนาทีบรรลุธรรมคนนี้สามชั่วโมงบรรลุธรรมคนนี้สามสิบปียังไม่บรรลุ ทำอะไรนี่จะไปถามว่าทำใหมกรรมในที่นี้ทั้งฝ่ายบวกกับฝ่ายลบนะมันมาส่งผลชาติสุดท้ายของเจ้าชายศิตตะลังจากตรจุปสัมพุทธเจ้านั้นก็มีเรื่ององคุลิมานเห็นไหมองคุลิมานเผลอทำกรรมชั่วเห็นไหม ค่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอยู่ๆได้พบพระพุทธเจ้านะอันนี้เนี่ยเป็นกรรมดีในอดีตมันมาส่งผลมันก็ตัดกรรมชั่วในชาติชาติชาติาตาตปัจจุบันได้นะทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบทีนี้มันผ่านไปแล้วเราจะไปถอยหลังไปสร้างกรรมดีก็ไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันได้นะทำปัจจุบันได้อันนี้ก็ นะคำถามนี้ก็แค่นี้ก็พอนะถต่ว่าทําไมเกิดอายุสั้นอายุยาวมันก็ไปตรงกับคําที่ผู้เจ้าตัดสรุปนะพระองค์ตัดสรูปนะวิชาแรกคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าได้การดลึกชาติวิชาที่สองพระ อ, องค์ไปตัดสรูปเรื่องจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมนะเนื่องจากกรรมทั้งนั้นแหละแล้วก็วิชาที่สามก็คืออาสวะขยะยาน พระ อ, องค์ไปตัดสรุว่าต้นเหตุที่เราสร้างกรรมเพราะเรามีอาสวะกิเลสนะวิชาที่สามก็คือมักมีองแปดทีนี้ถามทำไมพ่อครูให้ความสำคัญกับญาติธรรมบางท่านเป็นพิเศษมองแบบคนทางโลกเหมือนเลือกที่รักมักที่ชังพ่อครูมีเหตุผลอย่างไรตัวนี้จริงมาตร ง, ตรงๆเลยเนาะ ดีมีอะไรพูดมาพูดมานะเปิดออกมาซะอันนี้แสดงว่าศรัทธายังไม่เต็มเปี่ยมมองภาพเห็นลางๆนะก็พ่อครูให้โอกาสทุกคนนะพวกครูไม่มีรักไม่มีชังเนาะแม้พวกเด็กๆ เ, เนี่ยพวกครูก็ให้ความใส่ใจแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะดอกบัวสีเ่เหล่านะก็พรครูก็ คำถามนี้บังเอิญว่าพรอครูก็คำถามแรกวันแรกๆนะพ่ครูก็เตรียมเตรียมเตรียมตัวนี้มาให้นะทีนี้มันมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลนะนะว่าด้วยอุปมาด้วยนานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวารีก ร, รมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันทกักกบุตร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 อย่างนั้นผู้ใหญ่บ้านตถาคตมีความเอ็น ด, ดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพสัต์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเพราะผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงจึงทรงแสดงธรรมโดยเคารพแก่คนบางพวก ไม่ทรงแสดงธรรมโดยเคารพเช่นนั้นแก่คนบางพวกเนี่ยคำถามเดียวกันเลยนะผู้ใหญ่บ้านถ้าเช่นนั้นเราจากย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้ท่านพึงตอบตามสมควรผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรข้าหาบดีชาวนาในโลกนี้มีนาอยู่สามชนิดคือ ชนิดหนึ่งเป็นนาดีชนิดหนึ่งเป็นนาปานกลางชนิดหนึ่งเป็นนาเลวมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นที่เลวผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรข้หาบดีชาวนาประสงค์จะหว่านพืชจะหว่านในานาชนิดไหนก่อนนะคือนาชนิดดีโนนชนิดปานกลางโนน หรือชนิดเลวโนนซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นที่เลวข้อนั้นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าหาบดีชาวนาโนนประสงค์จะวานพืชพึงหวานในนาชนิดดีโน่นก่อนแล้วหวานลงในนาชนิดปานกลางโนนแล้วหวานบ้างไม่หวานบ้าง ในานาชนิดเลวโนนซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นที่เลวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะโดยที่สุดก็จักเป็นอาหารโคผู้ใหญ่บ้านเราแสดงธท ร, ร ม, มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศภมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนขหาบดีชาวนาหวานพืชในานาชนิดดีโน่นฉะนั้นเพราะเหตุใดพระภิกษุพระภิกษุณีและภิกษุณีเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่อาศัย มีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสอณะอยู่เราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพมาจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายของเรา เปรียบเหมือนข้าบดีชาวนาหวานพืชในนาชนิดปานกลางนะโน่นฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่อาศัยมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสาระนะอยู่นะเราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุดประกาศพมรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่อันเดียรถีนะสมณะพราหมณ์อันเดียรถีสมณะพราหมณ์และปริปพาชกทั้งหลายของเราเปียบเหมือนข้าบดีชาวนาหวานพืชในนาชนิดเลวโน้น ซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอั น, อนเดียลถีสมณะพราหมณ์และปริพาชกเหล่านั้นพึงรู้ธรรมแม้แต่บทเดียวความรู้นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเขาเสิ้นกาลนาน ก็หมายถึงว่านาที่เลวก็สอนเท่าที่สอนได้นะนี่คือดอกบัวสีเหลาทำไมพระพุท ธ, ทธการเนี่ยพระองค์มุ่งมุ่งสอนสมณะก่อนนะเพราะว่าศรัทธาพระองค์ก่อนศรัทธาจนมาบวชในบรวรพระองค์นะนะพระองค์เอาศรัทธาเป็นที่ตั้งไม่ใช่เลือกที่รักมาที่ชังว่าเออ คนนี้รวยคนนี้จนไม่เกี่ยวแต่ทีนี้สมัยโบราณเนี่ยเขาปกครองด้วยแคว้นนะมีพระราชาแคว้นถ้าพระราชาไม่เอาด้วยคนทั้งประเทศนั้นก็ไม่มีสิทธิ์พระองค์ต้องไปปลดพวกนี้ก่อนเห็นไหมปลดพวกนี้ก่อนเขาก็มีกําลังคนอื่นก็มีโอกาสไม่ใช่เลือกที่รักมาที่ชังถ้าไปถึงขั้นขนาดนี้ยังมีการเลือกที่รักมาที่ชังแล้วเนี่ยพวกเราหนีไวๆอย่าไปเสียเวลาแม้แต่หนึ่งนาที เอาศรัทธาเป็นที่ตั้งทีนี้การแสดงศรัทธาเนี่ยมากน้อยเนี่ยแสดงจากอะไรเห็นไหมไม่ใช่แค่คําพูดโอ้ฉันศรัทธาฉันศรัทธาไม่ศรัทธามาที่นี่ทําไมเห็นไหมเออทีนี้ศรัทธาแค่ไหนล่ะศรัทธาจนกล้าโกนหัวไหมโกนคิว้วไหมลดอาหารเย็นได้ไหมตอนนี้บ่นนะไอ้คนนั้นกินอาหารเย็นได้เขาฉันยังกินไม่ได้ทําไมทําไมอีกถ้าคิดเฉยเฉยนี่ก็เป็นกรรมแล้วนะ เราไม่เคยยินดีเลยว่าคนอื่นเขาคนเรามันไม่เหมือนกันไงนะอดีตที่ผ่านมาก็มีแม่ชีมาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะกลางคืนต้องบริโภคยาหมอว่าต้องกินก่อนนะก็ต้องกินข้าวก่อนกินยาอะไรเนี่ยเราก็ไปนั่งจับผิดจับถูกกันนะก็เหมือนภาพยนตร์พระพุทธเจ้าตอนนี้นะยังมีสองฝ่ายนะฝ่ายนึงเห็นด้วยฝ่ายหนึ่งโจมตี ก็เมื่อคืนมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งก็ออกรายการโทรทัศน์ท่านพูดดีมากท่านบอกคนนับถือพุทธศาสนาในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยไอ้เข้าใจคำสอนจริงๆไม่ถึง 20% เอร์ซนนอกจาก น, นับถือแบบไปหลงที่พิธีลีตองวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้นเองแต่ท่านบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทท่านท่านเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยใช่ไมล่ะ ท่านก็บอกว่าอย่าไปดูไอ้ข้อปีกย่อยที่เราคุ้นเคยว่าต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยเราก็ปฏิเสธเราจะพลาดโอกาสท่านบอกไปดูที่เนื้อหาสาระดูที่บลระบบทั้งหมดเนี่ยนะเหมือนเราเคยได้ยินว่าพระเทวทัตโดนแผ่นดินสูบภาพยนต์เรื่องนี้ตกเขาตายเห็นไหมเพราะเข็นหินก้อนใหญ่มากออรอพระเจ้ามาเข็นจะทับเลยพะเข็นได้คิดว่าโดนแน่ๆเ่ย ดีใจจนขาดสติตัวเองก็พลาดตกลงมาเห็นไหมเขาบอกว่าทําไมไม่ใช่แผ่นดินสูบล่ะทานนี้เห็นไหมแล้วแผ่นดินสูบจริงหรือเปล่าผู้เจ้าอกอย่าเพิ่งเชื่อตําลางไงเอาไว้แล้วแผ่นดินสูบกับตกเหวตายมันก็ตายเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ไปติดข้อผิกย่อยเหล่านั้นน่ะนะมันไร้สาระทีนี้เขามาใช้ในภาพยนตร์ในเดียวนี่ถ้าเป็นแผ่นดินสูบรุ่คนรุ่นใหม่มันบอกว่าให้สยศาสต ร, ร์ใช่ไหมล่ะ นี่คือว่าเป็นพุทธศาสนาต้องทันสมัยต้องทันสมัยรู้เหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงโมแต่อนุรักษ์แบบเกา่าฉันได้ยินว่าต้องแผ่นดินสูบต้องแผ่นดินสูบพอฉายหนังเลยนี่ว่ามันแผ่นดินสูบ ป, ปุ๊บออไอ้เด็กๆมันก็นั่งเออมันก็หัวเราะเออมันก็สนุกสนานแต่คนที่เขามีความคิดแล้วก็เา เ, าเามองในแง่ไสยศาสตร์ มันไม่ใช่สาระนะสาระเนื้อหาต้องมองเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยเดียวถึงว่าพวกเรามันติดบ่วงตรงนี้นะโดยเฉพาะเอาเรื่องวิชาการเป็นภาษาอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ใช่หรือเปล่าสวดมนต์แล้วได้จริงหรือเปล่าไร่ดิเปล่าแล้วก็คนที่ถามก็ตอบเองนะมีปัญญาอยู่ก็พระเจ้าก็บอกว่าอัตเหตโนานาโถแล้วก็ใช่แล้วไงเออสวดก็ไม่ได้ผิดนะตารวจก็ไม่จับด้วย เคยเล่าเรื่องสวดมนต์ให้ฟังแล้วหลังจากพก่อครูไปอินเดียกลับมานเห็นไหมไปคณะคนไทยกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเหมือนกันมีพระอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ไปเรียนจบอินเดียนั่ น, นะเป็นไกด์พาเราไปอะไรเนี่ยไปที่ไปพักที่วัดไทยวัดลาววัดเทเมนวัดเวียดนามวัดเกาหลีวัดอะไรก็แล้วแต่พ่กครูก็ไปกลางกอดนอนนะมีเมืองหนึ่งนั่นไม่มีวัดให้อยู่ก็พาไปอยู่โรงแรม เขาก็อัดห้องหนึ่งเจ็ดแปดคนไม่รู้จะไปกลางกดที่ไหนมากลางข้างนอกโรงแรมมันก็ไม่ให้กลางโอเคก็ก็นอนนอนไม่เป็นไรมีโอกาสนอนกับคุณลุงคนหนึ่งอ ะ, ะก่อนคืนนั้นเขาก็เล่าให้พวกกูฟังมาเขาสวดมนต์มายี่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้เขาเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเขาไปอินเดียเจ็ดครั้งแล้วเช้าก็สวดเย็นก็สวด เขาบอกประจำยี่สกว่าปีไม่มีวันขาดเลยเออก็อนุมโมทนาด้วยก็จริงจริงคือนั่นคนนอนหมดแกก็สวดเขายังไม่ตื่นก็ลุกขึ้นมาแกก็สวดปลกเขาตื่นนะเป็นนาฬิกาปุกก่อนเวลาพอออกมาจากห้องปุ๊บบังเอิญพ่อครูก็เดินออกมาแล้วก็เห็นว่าองลูกสาวแกเดินมาพูดไม่ถูกใจกันนะสวดลูกสาวอีกลูกสาวย่ามายุ่งกับฉันได้ไหม ไม่รู้สวดทำไมยี่สิกว่าปีเสียเวลาอันนั้นสวดแบบเสียเวลาไปติดรูปแบบเลามาโอ้อวดว่าฉันสวดมายี่สิบกว่าปีอันนั้นศูนย์เปล่าเลยยี่สิบกว่าปีสวดเพื่อให้เรามันใจเย็นลงมีสติมีเมตตามากขึ้นอันนี้ไปหลงว่าตัวเองเก่งตัวเองสวดเยอะก็สวดลูกสาวต่อถ้าลอะกันทั้งการาการเดินทางเนี่ยยิ่งสวดยิ่งมีอัตตานะยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งมีอัตตาเนี่ยไม่ใช่แล้วนะ ยิ่งหลงว่าตัวเองรู้ชานโน่นชานนี่มีหูทิพย์มีตาทิพย์ไปกันใหญ่แล้วแล้วปฏิบัติเพื่อลดอัตราวันที่พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดคือวันที่พระ อ, องค์ไม่เหลืออะไรเลยความเป็นเจ้าชายฐะ ถ, ถ, ถูกฆ่าทิ้งแล้วนะอันนี้ยิ่งปฏิบัติยิ่งเรียนรู้พุทธศาสนายิ่งตัวใหญ่เบ้เลอนะแบกไปไหนก็แบกไปด้วยนะเออท่านเป็นใคร เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นประธานเป็นมหาเสียถีไม่เป็นคนแล้วเนาะแค่เป็นคนก็ทุกข์มากมายแล้วยังเป็นโน่นเป็นนี่อันนี้มันมันมันมั น, ม, นมันไปคนละเรื่องแล้วละ่ะนะเราต้องอยู่กับโลกเราหนีมันไม่ได้แต่ต้องอยู่ให้รู้เท่าทันโลกไม่ใช่ไปตามโลกภาษาอังกฤษบอก follow is mean behind ตามแปลว่าไม่ทันตามแปลว่ า, าธาตุพวกเราไม่ใช่ไม่ตามเฉยๆนะเราถอยกลับมาอยู่เป็นธรรมชาติอยู่กับความจริงหิวก็กินง่วงก็นอนถึงเวลาเต้นก็เต้นนะถึงเวลาลำก็ลำนี่คือหน้าที่นี่คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นโอเคนะก็ใช้เวลาพอสมควร